เสียงงานหนังสือชีวิตหลังจะกตายแปลและเรียบเรียงจากเรื่อง The Life Beyond Death หนังสือของชาวต่างชาติที่อธิบายชีวิตของโอปปปาติกะคือเรื่องผีสางเทวดาหรือภพของสิ่งมีชีวิตประเภทกายทิพย์ในเชิงทฤษฎีมีเหตุผลตรงหลักพุทธธรรมได้ดีที่สุดเล่มหนึ่งผู้เขียนคือนักปราชญ์ชาวอินเดียที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกในหมู่ผู้สนใจศาสตร์ทางจิตและสมาธิ ความน่าสนใจคือแม้ท่านจะไม่ใช่พุทธแต่คำอธิบายเกือบทั้งหมดกลับมีหลักสำคัญตรงหลักในคำสอนของพุทธเช่นเรื่องหลักกรรมเรื่องปฏิจจสมุปบาทในบางแงม่มุมที่จะชี้ให้เห็นชัดว่าจิตหรือวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปอย่างไรจิตของแต่ละคนเป็นผู้สร้างภพภูมิและดึงไปสู่สิ่งแวดล้อมมีชีวิตตามวิบาก ท, ที่สะสมไว้อย่างไรเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดตายลไม่ศู์ ตราบใดยังมีตันหาจะต้องกลับมาเกิดใหม่ซึ่งท่านอธิบายไว้อย่างละเอียดลึกซึ่งมีเหตุผลจะทําให้เข้าใจและศรัทธาหลักกรรมได้อย่างแน่นแฟ้นขึ้นอีกมากจากประสบการณ์ส่วนตัวเห็นชัดนะครับว่าหากเราศึกษาหรือสอนธรรมะ ก, กันต่อให้ท่องจำพุทธวจนะได้คล่องปากจําพระไตรปิฎกได้หมดทุกตัวอักษรก็จะไม่มีประโยชน์อะไรเลยหรือไม่มีทางเข้าถึงแก่นทำคำํำสอนได้จริงเลยถ้าไม่เข้าใจเรื่องกรรมว่า ไม่ผลข้ามภพชาติได้อย่างไรหรือไม่เข้าใจว่าภพชาติมีจริงตายแล้วไม่สูญซึ่งก็เป็นหลักย่อยที่รวมอยู่ในหลักปฏิจจสมุปบาทหรือแม้แต่อริยสัจสี่ในข้อสมูทยัยคือเหตุเกิดทุกข์เหตุหนึ่งก็คือการต้องเกิดอีกวนเวียนไม่รู้จบถ้าไม่ศรัทธาไม่เชื่อในสังสารวัฏก็เท่ากับเป็นมิจฉาทิฏฐิและมีพุทธพจน์ชัดเจนถึงโทษของความเห็นผิดในเรื่องนี้ว่า ขัดขวางการบรรลุ ธ, ธรรมและนำสู่หายนะอย่างไรหนังสือเล่มนี้แปลโดยอาจารย์สิริพุทธสุขและจัดเข้าอยู่ในหนังสือชุดโลกทิพย์นับเป็นภาคที่สี่พร้อมเสริมด้วยคำอธิบายจากอาจารย์พรรัตนสุวรรณผู้เชี่ยวชาญพระไตรปิฎกและการทำสมาธิอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิแห่งมหาวิทยายลัยสงของไทยเรื่องพบชาตินั้นสาคัญมากคือต้องแตกฉานจริง ทั้งการได้ฌานและการรู้แจ้งทฤษฎีไม่อย่างนั้นจะเหมือนชาวนาที่ไปดูหมอผ่าตัดซึ่งเห็นน่าเห็นจริงแต่ไม่มีทางอธิบายขั้นตอนการรักษาได้ถูกต้องเรื่องแนวนี้คนทั่วไปสนใจกันมากแต่ปัจจุบันมีการอธิบายเรื่องแนวนี้ผิดไปมากหรือรู้เพียงแง่เดียวข้อน่าสังเกตจากหนังสือของต่างชาติหลายเล่มโดยเฉพาะที่สานักค้นคว้าทางวิญญาณโดยอาจารย์พรรัรตนสุวรรณนามาเผยแพร่นั้น การเล่าเรื่องหลังความตายมักจะมีแก่นหลักสําคัญคล้ายกันที่มาตรงกับคําสอนในพุทธแม้จะเป็นคนละชาติคนละศาสนาซึ่งหลายเรื่องขัดแย้งกับคําสอนในศาสนาของท่านจึงเป็นข้อพิสูจน์ได้ดีว่าเปลือไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรชิมแล้วต้องเข็มทุกคนทั้งนี้ต้องเข้าใจด้วยว่าในส่วนปลีกย่อยนั้นอาจจะมีแตกต่างกันบ้างตามแต่ความเข้าใจหรือสัมมวนของการเล่าของแต่ละคน ที่อาจเล่าเรื่องเดียวกันแต่ใช้คําหรืออธิบายแตกต่างกันได้แนะนำให้ฟังให้จบอย่าพึ่งรีบเชื่ออย่าด่วนปฏิเสธแล้วลองพิจารณาคัดกรองหาสาระสำคัญเชื่อว่าจะเกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อยสิ่งเหล่านี้อาจจัดอยู่ในประเภทไปไม้นอกกำมือที่มีอยู่จริงแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงเน้นจุดนี้หรืออธิบายละเอียด เพราะท่านเป็นครูชั้นสูงก็ต้องสอนแต่เรื่องที่จําเป็นในเวลาขณะทรงมีพระชนชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับเนื้อหาบางส่วนนั้นก็ต้องเข้าใจด้วยว่าท่านเป็นชาวต่างชาติต่างศาสนาแต่บางอย่างซึ่งเป็นหลักขั้นสูงของพุทธศาสนานั้นแน่นอนว่าไม่มีทางที่คนนอกศาสนาจะเข้าใจได้จริงหรืออธิบายได้ถูกต้องเช่นหลักอนัตตาและความเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่มีอยู่จริง ซึ่งผู้จะเข้าถึงต้องบรรลุเป็นอริยะแล้วเท่านั้นหรือมีปัญญาขั้นสูงที่จะเข้าใจเรื่องนี้ได้การศึกษาเรื่องแนวนี้ถ้าไม่เข้าใจหลักนี้ก็อาจจะเกิดมิจฉาทิฐิได้เช่นกันคือเห็นผิดไปว่าชีวิตหลังความตายนั้นเที่ยงยั่งยืนสำหรับบุคคอธรรมและศัพท์บางคำถ้าท่านใดสงสัยไม่เข้าใจควรปล่อยผ่านไปก่อนฟังผ่นานๆแล้วค่อยกลับมาฟังเมื่อมีโอกาส หรือมีเวลาค่อยพิค้นหาทางเน็ตเพิ่มเติมนะครับซึ่งจะมีทั้งสัพท์ทางธรรมะและภาษาอังกฤษบางคําที่ทําให้สับสนได้ยกตัวอย่างเช่นที่ท่านแปลหลายคําเป็นคําว่าวิญญาณทั้งหมดเช่นวิญญาณคือโ so. ซในที่นี้ท่านหมายถึงวิญญาณที่เป็นตัวตนเที่ยงแท้ตามความรู้สึกและความเชื่อของคนทั่วไปที่เชื่อกันว่ามีอยู่ในกายขณะยังมีชีวิตเมื่อตายจะออกจากกายล่องลอยไปหาที่เกิดใหม่ และวิญญาณคือสปิริหมาถึงอารมณ์จิตใจความรู้สึกและ Consciousness คือจิตสำนึกซึ่งจะต่างจากคำว่าวิญญาณในความหมายเชิงวิชาการของพุทธที่ปกติจะหมายถึงความรับรู้เป็นขันหนึ่งในขันห้าคือความรับรู้ทางอัยตระได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจเช่นจักคู่วิญญาณวิญญาณทางตาหรือการเห็นเป็นต้น และอีกความหมายหนึ่งคือหมายถึงจิตหรือใจอย่างในประโยคที่ว่ามโนปุพันธ์คมามโนเสรถามโนมยาใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกสิ่งสำเร็จได้ด้วยใจคำว่ามโนแปลว่าใจหรือความคิดซึ่งอยู่ในกลุ่มคำที่มีความหมายคล้ายกันคือจิตหรือมนัสและสามารถแปลหรือหมายถึงหรือใช้คาว่าวิ ญ, ญญาณแทนได้เช่นกัน อย่างที่อาจารย์พรท่านมักแปลประโยคนี้ว่ามโนคือวิญญาณเป็นรากฐานของสิ่งทั้งปวงซึ่งการอธิบายธรรมของแต่ละท่านนั้นก็ต้องเข้าใจด้วยว่าบางครั้งจำเป็นต้องใช้ในความหมายอื่นที่ชาวบ้านหรือสังคมส่วนใหญ่เขาเข้าใจกันเรียกว่าเป็นการอนุโลมตามหลักภาษาและใช้ในบางกรณีเท่านั้นจึงต้องเข้าใจจุดประสงค์ในการอธิบายของท่านให้ถูกต้องด้วย สำหรับหนังสือแปลหลายเรื่องเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเพื่อไว้ศึกษาเปรียบเทียบประดับความรู้อย่างน้อยก็น่าจะช่วยเสริมศรัทธาในเรื่องกฎแห่งกรรมได้มากขึ้นแต่เมื่อศึกษาเรื่องเหล่านี้เมื่อเชื่อแล้วก็ต้องไม่หยุดแค่นั้นนะครับควรได้ศึกษาหนังสือพุทธธรรมฉบับรับขยายเพิ่มเติ ม, เ, ตมเพื่อเข้าใจคําสอนและโครงสร้างที่แท้จริงของพุทธศาสนาและต้องศึกษาด้านการเจริญสติฝึกฝนจนเห็นจิตเป็นอนัตตาให้ได้ ซึ่งเป็นขั้นต่อไปที่ทำให้เราพ้นทุกข์และเป็นสมาธิถึกได้จริงคนที่เข้าใจว่าตัวเองรู้ธรรมะรู้จริงนั้นถ้าหากยังเจริญสติจนเกิดจิตผู้รู้เห็นจิตกับกายนี้ทำงานเป็นตังหากไม่ได้ก็อย่าเพิ่งมั่นใจนะครับว่าสิ่งที่รู้ที่ท่องจำได้นั้นจะเป็นความเข้าใจได้จริงการเกิดเป็นมนุษย์เป็นพบเดียวที่ศึกษาและสร้างวิบากที่ดีได้ง่ายที่สุด การใส่ใจศึกษาค้นคว้าให้รู้จริงโดยเฉพาะด้านธรรมะจะเป็นบุญใหญ่ที่สุดที่ชีวิตมนุษย์ควรขวนขวาให้เข้าถึงให้ได้ก่อนหมดโอกาสเมื่อภาคเพียรเต็มที่ในชาตินี้แล้วต่อให้ไม่เข้าใจแต่ก็จะเกิดเป็นวิบากติดตัวไปมีผลต่อชาติหน้าอีกหลายชาติให้มีความขยันใฝ่รู้ในทางธรรมและเข้าใจอะไรได้ง่ายขึ้นทาให้ฝ่ายดีไฟธรรมมากขึ้นนะครับเสียงอ่านโดยอริยคุณร่วมจัดทาโดย เจ้าภาพหลักเอกลักษณ์เลิดวรลักษ์ครอบครัวอริยชาติพดุงกิจเช้าวสีสุพัฒธรรมเจ้าภาพรองครอบครัวอิ่มวงศรีนงนพัทยงมานวงศครอบครัวสีโพคาครอบครัวโลติวิกุลภาวนาเหลืองเจริญกิจพลพร อ, อภิวัฒนเสวีสุภกิจนิมมานุราเทพมิจชามาสโสภาสุดาพรตองสุริร่วมกับอีกหลายท่านฟังได้จัดท้ายเรื่องขอทุกท่านร่วมอนุโมทนา